บอกว่าจําเป็นไหมที่ต้องศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าถ้าหวังการตรัสรู้จริงก็จําเป็นที่จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ก็จําเป็นที่ต้องระลึกถึงพระองค์เว้นไว้แต่ว่าเราไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระองค์อย่าลืมว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นาตามที่เป็นจริงจริงแล้วอยู่ที่การตรัสรู้ของพระองค์เพราะรการตรัสรู้นั้นยิ่งใหญ่มากเป็นปัจจัยแห่งการตรัสรู้ของ สัพพสัตทั้งหลายเนี่ยนะนั้นสัมมาสัมพุโทโธนั้นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอริยศาส์นั้นควรสแสวงหาควรศึกษาควรเรียนเอาไว้ให้เยอะเช่นไปอ่านทัสน์ตรัสูตรเอาไว้ให้มากๆเนี่ยนทะทัศน์ตรัสูตรหรือว่าสุตตมยญาณปฏิสัมพิธามมรุกเป็นต้นกลุ่มเหล่านี้จะเกื้อกูลทําให้เราเห็นว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าหรืออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกนั้นเป็นผลงานจากการ ตรัสรู้ของพระองค์ไม่ใช่แค่ตรัสรู้แต่เป็นผลงานในการตรัสรู้และแสดงสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายนี่นะตอะนพุทธคุณที่จะได้ศึกษากันต่อไปก็คือพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนนี่นะพุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะนี่นะอันวิชานั้น ก็แปลว่าความรู้แจ้งสแสงสว่างนะที่ขจัดความมืดคื อ, อวิชาวิชาคือสแสงสว่างที่ขจัดความมืดคือวิชาที่ส่องสว่างนะที่ส่องสว่างส่องสว่างปกปิดความมืดที่ปกปิดในอดีตความมืดที่ปกปิดอนาคตความมืดที่ปกปิดอริยสัจทั้งหลายเนี่ยผู้ที่มีปัญญาก็ส่องสว่างนะส่องสว่างไม่มีความมืดเหล่าใดที่จะปกปิด แต่ว่านี่จะอธิบายจารณะก่อนเนี่ยนะจรณะแปลว่าจารณะโดยสัพแปลว่าความประพฤติจะสัมป on in ok ันโนแปลว่าถึงพร้อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีความประพฤติที่ดีหรือการปฏิบัติตัวที่ดีหรือการดำเนินไปอย่างดีเนี่ยถามว่าจารณะเนี่ยอย่างผู้ที่ดำเนินให้ไปจบลงที่ไหนสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามจารณะเนี่ยนะจารณะดีความประพฤติที่ดีเนี่ยจบลงที่ไหน บอกว่าจารณะก็คืออย่างผู้ที่ปฏิบัติให้อย่างลงสู่พระนิพพานจริงจริงจารณะ15ก็คืออริยมรรคนั่นแหละแต่อีกโวหารหนึ่งเท่านั้นเองอย่างเช่นจารณะ15มีอะไรบ้างศีลศีละสังวรเนี่ยนะอินทรีสังวรโพชเนมตันยุตาชาคริยานุโยก ศีลนะศีลอินทรีสังวรโภชเนมัตันยุตาชาคริยานุโยกก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเองเนี่ยนะก็คือองค์มรรคใช่ไหมองค์มรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะก็คือศีลอินทรีสังวรโภชเนมัตันยุตาชาคริยานุโยกส่วนศรัทธาหิเรโอตตาปะวิริยะสติปัญญาเนี่ยนะศรัทธาหิเรโอตตะ วิรยิรยะสติแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะแล้วก็อันหนึ่งก็คือสุตตะเนี่ยวิริยะก็คือสัมมาวายามะสติก็คือสัมมาสติปัญญาก็คือส ม, มาธิฏฐิเนี่ยนะถ้าพูดถึงปัญญาเนี่ยสัมมาสังกปะเท่ากับพูดแล้วเพราะปัญญาทั่วไปแล้วจําต้องมีสัมมาสังกปะเป็นสหายเป็นเพื่อนส่วนฌานทั้งหลายก็คือ สัมมาสมาธินั่นแหละพันจารณะ15้าก็คืออริยมรรคพันจารณะท่านจึงกล่าวว่ายังผู้ที่ดำเนินหรือประพฤติปฏิบัติตามให้ไปสู่อมะตะหรือนำไปสู่มรรคผลนิพพานเรียกว่าเป็นทางที่ดีแล้วก็ทางที่ถูกต้องทางที่ตรงสำหรับบุคคลผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เนี่ยนะว่ า, าถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วในที่สุดก็คือนาไปสู่การตรัสรู้จารณะสิบ้านั้น มันเป็นการเรียงอีกวิธีหนึ่งของวิสุทธินั่นแหละก็คือวิสุทธิทั้งหลายคืออริยมรรคทั้งหลายคือโพธิปักขยธรรมทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เทศนาโวหารสา ม, มารถที่จะยักย้ายพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัยของผู้ฟังเปรียบเหมือนพ่อครัวผู้ฉลาดเนี่ยนะพ่อครัวผู้ฉลาดนนะนนนนาาเนี่ยนะมีพืชผักพืชพันธัญยาหานี่เต็มไปหมดเลย แค่ว่ามีอุปกรณ์เครื่องครัวนี่มีบริบูรณ์ทุกอย่างบุคคลผู้หิวเนี่ยเดินทางมาอาหารเนี่ยนะมันรสชาติมันอยู่ที่วิธีการปรุงใช่ไหมพระพุทธเจ้าปรุงอาหารถูกลิ้นกับทุกคนนี่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเทศนาที่เหมาะกับอัธยาศัยของทุกคนเนี่ยนะเขบอกว่าถ้าถ้าอาหารเนี่ยนะอาหารทั้งหลายที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย ถ้าดูจากเครื่องเทศดูจากอะไรทั้งหลายอาหารจีนไทยฝรั่งเนี่ยวัตถุ ด, ดิบมันแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันแค่นี้นิดหน่อยๆแต่ประกอบมาแล้วปรุงมาแล้วทําไมรสชาติมันไม่เหมือนกันแล้วเป็นที่ชอบอกชอบใจของแต่ละคนละแต่ละพักแต่ละพวกแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าก็รู้อัธยาศัยความแตกต่างแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรมตามจริตตามบุญตามวาสนาของ แต่ละคนแต่ที่แน่ๆจะแสดงอย่างไรก็ตามเธอพระพุทธเจ้าจะแสดงทำอย่างไรก็ตามเธอจะแสดงเพื่อการกําหนดรอบรู้กองทุกข์ทั้งหลายกําหนดรอบรู้อะไรรอบรู้มหาภูตารูปเออขอไปพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมเพื่อการกําหนดรู้กองทุกข์ทั้งหลายเรียกว่ากองทุกข์นับเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองหมวด3ามหมวดสีหมวด5เป็นต้นก็ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงธรรมเพื่อละสมุทัยทั้งหลาย แสดงธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งแสดงธรรมเพื่อเจริญอริยมรรคแสดงธรรมเพื่อเจริญคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะอันพระองค์แสดงธรรมเพื่อการเจริญคุณธรรมทั้งหลายอันถ้าเราไม่สับสนในการศึกษาพระธรรมเนี่ยอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจอย่างไรเสียพระองค์ก็แสดงอริยสัจแม้แต่การประกาศคุณของพระองค์แสดงพระพุทธคุณของพระองค์ก็เป็นการประกาศ อริยสัจเพราะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจพระองค์จะเปิดเผยคุณของพระองค์เกี่ยวกับการตรัสรู้เนี่ยนะเกี่ยวกับการตรัสรู้ทั้งหลายนั้นเจรณะทั้งหลายก็คือการเจริญอริยมรรคผลของการเจริญเจรณะนั่นแหละทําให้เกิดวิชาขึ้นเพราะปฏิบัติตามเจรณะทั้งหลายทบทวนนะเจรณะ15ประกอบไปด้วยศีลศีลสังวรเนี่ยนะศีลสังวร อินทรีสังวรโพเชเนมตันยุตาชาคริยานุโยกศรัทธาหิริโอต ป, ปะสุตะวิริยะสติปัญญาแล้วก็ฌานอีกสี่เนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านและจตุทัชฌานเนี่ยนะพันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจรณะทั้งหลายซึ่งนำบุคคลที่ประพฤติไปตามจารณะให้ถึงอะไร อมตานิพพานเนี่ยนะถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งวัตถุทุกเนี่ยนะให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับชราและมรณะให้ตรัสรู้ธรรมที่ดับภพบและดับสงสารก็เรียกว่าตรัสรู้พระนิพพานนั่นเองทีนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะเพราะถามว่าดูจากความสมบูรณ์ของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์อย่างไรเพราะพระองค์สามารถ เนื่องจากพระองค์มีจารณะพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นดํารงมั่นอยู่ในจารณะด้วยพระองค์เป็นผู้มีศีลพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นรักษาศีลพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์สังวรพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีอินทรีย์สังวรพระองค์นี่มีมีชาคริมีความอะไรนะชาคริยานุโยคพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นนั้นมีชาคริยานุโยคพระองค์นี่เป็นผู้สันโดษใน ปัจใจจึงสอนให้ผู้อื่นสันโดษในปัจจัยพระองค์เป็นผู้มีศรัทธาพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นเจริญศรัทธาพระองค์เป็นผู้มีหิเรโอตตะพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีหิเรโอตตปปะพระองค์เป็นผู้มีสุตะสุตะแต่สุตะของพระองค์เนี่ยเป็นสุตะประเภทไม่ได้ใช้การอ่านแต่ใช้ปัญญาไข้ครวนนี่นะสุตะเนี่ยของของผู้ที่ทั่วทวไปเนี่ยนะอาศัยทวารตากับทวารหู ทวานตาคืออ่านทวานหูคือฟังจึงจะเข้าใจอะไรได้แต่ของพระพุทธเจ้าใช้ใจนะเรียกว่าใช้จินตามียาญาณเนี่ยนะแต่จินตามียาญาณเนี่ยของพระพุทธเจ้าวินิจฉัยไม่ผิดไม่พลาดตรงเนี่ยนะไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะนํามาเส่งการตรัสรู้เนื่องกับ ว, ว่าพระองค์ไข ค, ครวนจนได้ตรัสรู้และบอกให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติแล้วตรัสรู้ตามได้ ทีนี้ย้อนกลับมาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระองค์จึงสอนให้ผู้อื่นมีศีลพระองค์จึงแสดงเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งที่เป็นนะศีลละนะเนี่ยนะรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะศีลละนะเนี่ยแปลว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงทําให้กายวาจาเป็นต้นไม่เกลือกล่อนกล่นกระจัดกระจายรองรับฌานสมาบัติอภิญญามรรคผลเป็นต้นนั้นพระองค์นั้น สามารถที่จะแสดงศีลทั้งหลายออกเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลสอนเป็นจารีตศีลเป็นวารีตศีลเนี่ยนะสอนเป็นนะสีลประเภทอะไรหานะภาคยาสีลทิติภาคยาสีนวิเศษภาคยาสีลแล้วก็นิเพทภาคยาสีลแสดงเป็นจตุปาริสุทธิศีลปาริโมกสังวรอินทรียสังวร ปัจญยสันนิสิติสี์และอาชีวปาริสุทธิสีลหรือถ้าพูดแบบพิสดารเต็มที่เลยก็คือพระองค์สามารถบัญญัติพระวินัยปิฎกสองห0นึ่งพพระธรรมคันไดเนี่ยนะสามารถที่จะแสดงสีลโดยนยยต่างๆโดยปริมาณต่างๆดังนั้นการแสดงสีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมียูตรหนึ่งพระพุทธองค์แสดงว่าผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยนะ ต้องเห็นคุณของศีลเนี่ยกว้างขวางประดุษแผ่นดินเนี่ยนะเปรียบเหมือนอย่างว่าแผ่นดินเนี่ยนยะเป็นที่เจริญงอกงามแห่งพีชคามและภูตคามนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะเจริญงอกเงยเจริญงอกงามบนบนอะไรบนแผ่นดินใช่ไหมต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยอาศัยเพราะปลูกบนแผ่นดินแล้วเจริญเติบโตขึ้นผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องดํารงมั่นอยู่ใน ศีลศีลเนี่ยกว้างขวางศีล น, นั้นเป็นทรัพย์ที่จะทําให้บรรลุมรรคผลได้เนี่ยศีลเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ที่ช่วยให้บุคคลทั้งหลายพ้นทุกข์พระวินัยปิฎกเนี่ยนะถ้าเราทิศให้ดีๆเนี่ยพระพิสูุ์ที่สวดปาติโมกแสดงปาติโมกก็คือสวดศีลแสดงศีลทั้งหลายซึ่งศีลเหล่านั้นถ้าบอกว่าศีลเปรียบเหมือนแผ่นดินก็แสดงว่าท่านอ่านชนดอะไรชนดที่ดินแปลว่ามีที่ดินเยอะมากที่ดินคือศีลเนี่ยนะก็ร่ํารวยด้วย ศีลทั้งหลายที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์แต่ถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมไม่ดีมองว่าศีลนี่เป็นภาระบอกว่าจริงๆแล้วไม่ศีลไม่สร้างความลําบากให้แก่ผู้ใดแต่ความทุศีล น, นี่สิสร้างความลําบากให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ที่รักษาศีลจริงๆแล้วไม่เดือดร้อนถ้าพยายามจะอนุวัตตามศีลแล้วไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนก็เพราะไม่พยายามโอุลตัวเองไปตามศีลเนี่ยนะ ถ้าโอนตัวเองไปตามศีลตั้งใจที่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะทําได้ยากเกินไปเนี่ยนะแล้วศีลเน้นนำมาซึ่งอวิปปิสารถ้ารักษาศีลดีศีล น, นํามาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระ อ, องค์จึงไม่เดือดร้อนใจเคยได้ฟังข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเครียดหงุดหงิดไม่สบายใจกังวนกวายมีอยุ่คืนหนึ่งนอนไม่หลับเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะนะ พระพองค์เนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ที่ไม่มีวิปติสานพระพุทธเจ้าจึงแบบเราเป็นคนที่ อ, อย่างหลวงพ่อเมตตาเนี่ยนะเราก็ดูภาพจากพระพุทธรูปแค่ธรรมดาเรายังเห็นว่าท่านยิ้มแนละ้วแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสุขมากเลยนะมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่มีไม่มีภัยเหล่าใดที่จะทําให้พระองค์เดือดร้อนไม่มีอะไรที่จะทําให้พระองค์เกิดความขนลุกขนพองสยองกล่าวพระองค์บอกเลยนะว่า ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะผู้ที่กลัวหวาดระแวงสะดุ้งผวาไม่สบายใจหงุดหงิดเครียดโดยมากมาจากว่าหนึ่งกายกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอวัจีกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอเนี่ยนะมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เพียงพอหรือไม่ก็วิบัติทางอาชีพเนี่ยนะฮะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนี่แหละที่สร้างความเครียดสร้างความลําบากใจสร้างความเดือดร้อนใจสร้างความกินแหนงแคลงใจให้แก่ตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะทั้งศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทั้งกายและวาจาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ปราบปลื่มใจปราโมทก็เกิดจากอาวิปปิสารเนี่ยนะปีติก็เกิดจากปราโมทปัตสัตทีก็มาจาก ปีติสมาธิก็มาจากเออขอไปสุขเนี่ยมาจากปัตสัตทีสมาธิก็มาจากความสุขพระองค์จึงเจริญสมาธิทั้งหลายได้สมาธิของพระองค์จึงระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นเพราะพระองค์มีศีลเป็นเครื่องรองรับอุปถารณะรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็สมบูรณ์ด้วยศีล